คนเรียนกรรมฐานนะที่เรียนยากนะมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งติดสมถะติดเพ่งอยู่เฉยๆไม่ยุ่งกับใครสบายพวกนี้จะไม่เดินปัญญาอีกพวกหนึ่งคิดลูกเดียวเลยได้ยินอะไรก็คิดเอาคิดเอาคิดเอานะพวกนี้จะไม่เห็นรูปน้ำไม่ดูรูปดูน้ำํำเป็นจุด อ, อนนะ งันถ้าใครติดสมถะยังทําสมาธิมาหลายปีสงบอยู่งั้นก็ต้องทบทวนหน่อยว่ากิเลสเราลดไหมถ้ากิเลสเราไม่ได้ลดลงจริงความสงบนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อลดละกิเลสก็ยังไม่ใช่ทางที่ถูกต้องส่วนพวกนักคิดหนะ้าเปล่าเปาการคิดหน่อยพวกที่ครูบาอาจารย์เบื่อที่สุด น, นะคือพวกนักคิด สอนอะไรก็คิดไปเรื่อยๆนะแทนที่จะรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นหลวงปู่ดนลเคยสอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ตัวคิดนะ่ะมันปิดบังตัวรู้งั้นบางคนพอได้ยินธรรมะนะคิดใหญ่หาเหตุหาผลวิเคราะห์ใหญ่เลยธรรมะเรียนด้วยการคิดเอาไม่ได้การคิดเอาได้ปัญญาที่เรียกว่าจินตามายาปัญญามันจะขึ้นมาไม่ถึงภาวนามยปัญญา เงี้ยใจกล้าๆต้องกล้าถ้าพวกที่ติดชิดนะต้องกล้าหานอย่า ก, กลัวโง่อย่า ก, กลัวไม่รู้อย่าติดวิธีเรียนด้วยการคิดเอาในทางโลกเนีเรียนแล้วคิดมากเท่าไหร่ยิ่งดีในทางธรรมความคิดน่ะปิดบังความจริงความคิดไม่ใช่ของจริงนะเราต้องดูของจริงเอาของจริง คือร่างกายของจริงคือความรู้สึกนึกคิดในจิตใจอันนี้มันมีอยู่จริงให้ดวงอาส่วนความคิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าบัญญัติเป็นสมมุติบัญญัติคิดถูกก็ได้คิดผิดก็ได้เอาแน่เอานอนไม่ได้เชื่อถือไม่ได้หรอกส่วนความจริงปรากฏอยู่ในกายในใจเนี่ยมันไม่ผันแปรอย่างร่างกายจะตายเราหรือกายใครมันก็เหมือนกัน ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเนี่ยของจริงนะงั้นถ้าติดคิดอยู่ก็วางวางหน่อยมาเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆหน่อยเรียนรู้วิธีที่จะเรียนรู้เรียนรู้แบบเก่าคิดเอาอย่างเดียววนเวียนคนเราคิดนะยากมากเลยที่จะแหวกความคิดของตัวเองออกได้ คิดแล้วคิดวนอยู่อย่างนั้นซ้ําๆทฤษฎีคิดใหม่ทําใหม่เลยเนียากมากว่าจะคิดได้คิดใหม่ก็อาจจะผิดอีกให้ดูของจริงเอาของจริงมีอยู่แล้วเห็นร่างกายหายใจออกไม่ใช่ตัวเราร่างกายหายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลทั้งหลายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมีแต่ของไม่เที่ยง บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่ของจริงเท่านั้นอย่างใจเราจะโกรธห้ามมันไม่ได้ใจเราจะรักห้ามมันไม่ได้นี่คือความจริงส่วนคิดเราก็แล้วแต่จะจินตนาการอย่างบางคนโกรหกแนละ้วเพื่อนก็มาบอกเธออย่าไปคิดเลยลืมมันซะเถอะคําพูดอย่างนี้เลื่อนลอยพูดได้ไม่มีใครทําได้หรอกเพราะอะไรจิตจะคิดตัวห้ามไม่ได้จิตจะจําก็ห้ามไม่ได้ เร่งของของจริงห้ามไม่ได้เงั่นเราละการหาความรู้ด้วยการคิดเอาซะมาดูของจริงในกายดูของจริงในใจเรื่อเรียกว่าการเจริญปัญญาวันนี้หลวงพ่อกะจะมาสอนเรื่องเจริญปัญญาพอดีปัญญาเป็นความรู้ถูกความเข้าใจถูกมันมีสมแบบปัญญาแบบแรกเ้าเรียกว่าสุตะมัจยาปัญญา ปัญญาจากการอ่านการฟังงานพระไตรปิฎกหรือฟังซีดีนะของหลวงพ่ออันนั้นมันเราจะได้อะไรเราไม่ได้ปัญญาตัวจริงแต่เราได้ความจําเราจําได้ว่าพระไตรปิฎกว่าอย่างเนี้ยจําได้ว่าหลวงพ่อเทศอย่างนี้ได้แค่ความจํายังไม่เห็นความจริงมันจริงของพระพุทธเจ้าจริงของครูบาอาจารย์มันยังไม่จริงของเราเราได้แค่จํา งันปัญญาจากการอ่านการฟังนะช่วยเราได้นิดเดียวช่วยให้เรารู้แนวทางพระเจ้าสอนนะสอนแนวทางให้เราถัดจากนั้นเราต้องลงมือเจริญปัญญาด้วยตนเองพระเจ้าท่านบอกนะว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางให้เราต้องเดินทางเราเองคือมาเจริญปัญญาด้วยตัวของเราเองอยังอ่านธรรมะมากๆบางทีหลงเอาเลยนะนึกว่าเรารู้เรื่อง ตอนเป็นนักศึกษานะหลวงพ่อไปบวชวัดชมพันธ์ที่แรกกาไปบวชกับท่านพุทธทาสนี่อยู่ไกลพ่อแม่ไม่ได้เห็นไม่ได้ทําบุญอยากให้เขาได้บุญด้วยบวชอยู่วัดชมพันธ์อ่านหนังสือของท่านพุทธทาสบ้างอะไรบ้างนะอ่านแล้วก็เข้าใจว่าเราเข้าใจธรรมะโอ้อ่านเรื่องน้อนเรื่องนี้อ่านเรารู้เรื่องแนละ้วธรรมะ สึกออกมาก็มาอ่านต่ออ่านปฏิจจสมุปบาทอ่านไล้โอ้รู้ปฏิจจสมบตัติกูนี่แหละชาวพุทธตัวจริงคนอื่นตัวปลอมยังไม่ได้เป็นชาวพุทธสักนิดเลยนะจำมาอ่านไปอ่านไปจำผิดอีกหมายรู้ผิดอีกนะว่าท่านพุทธทาสท่านสอนว่าตายแล้วศูนย์ชาติหน้าไม่มีเทวดาไม่มีผีไม่มนะีชาติก่อนก็ไม่มี อยู่กับปัจจุบันเป็นขณะขณะอ่านแล้วมันเพีย้ยนวันหนึ่งไปเจออาจารย์สุดชีพปุญญานุภาพทำงานกับท่านตอนนั้นทางานมาทำงานอยู่สภาความมั่นคงละไปไประชุมกรรมการาศาสนาท่านเป็นกรรมการด้วยท่านได้ยินหลวงพ่อคุยคนข้างๆ ว่าชาติหน้าไม่มีตายแล้วศูน์ต้องอยู่กับปัจจุบันอะไรเงี้ยท่านหกสมเพสนะสงสารท่านกวาดมือเลี้ยงเนี่ยแล้วเข้าไปนั่งคุกเข่าข้างเก้าอี้ท่านท่านให้นั่งเก้าอี้แต่ท่านไม่นั่งท่านระดับครูบาอาจารย์ไม่ตีเสมอท่านนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นนะท่านก็สอนให้ว่าที่คิดว่าตายแล้วศูนชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มี ผีไม่มีเทวดาไม่มีนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นนะแล้วท่านก็ยกภาษาบาลีมาให้ฟังนะพูดบาลีแล้วก็แปลพูดบาลีแล้วก็แปลเนี่ยพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้นะอย่างนี้โอ้เรากราบท่านนะกราบแล้วกราบอีกเลยโอย้หายโง่ละเราอ่านหนังสือแนละ้วเราคิดว่าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยปัญญาจากการอ่านเอาแล้วก็มาคิดต่อนะมีจังหวนะนั้นลงไปส่วนโมกไม่กราบ หลวงพ่อพุทธทาสไปถึงท่านก็ออกมาคุยด้วยนะวันนั้นดีไม่มีคนหรอกท่านนั่งเก้าอี้หินนะองค์เดียวเต็มเก้าอี้เลยตัวท่านโตมากเลยพาท่านมานั่งเก้าอี้ไนอะไก่้วขึ้นมาเกาะที่พนักเก้าอี้ไก่อยู่ตัวหนึ่งนะพอท่านนั่งตรงนี้มันจะต้องมาเกาะอยู่แล้วก็นวดท่าน น, ะนวดขาท่านท่านอาจารย์ครับ ท่าอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนยะครับท่านมองหน้าเราก็ยิ้มยิ้มคุณคิดว่าเราเป็นมิจฉาทิถีเหรอโอ้เรากราบท่านเลยนะขอขมาท่านเพราะว่าไปอ่านหนังสือท่านแล้วเมาอ่านหนังสือท่านแล้วเข้าใจผิดอ่านเรื่องศูนย์ตาเรื่องอะไรนะอะไรๆก็ไม่มีอะไรๆก็ว่างเรื่อปัญญาจากการอ่านนะ มัญญาแต ก, การคิดเชื่อไม่ได้หรอกมหัดภาวนาสิมาดูของจริงการดูของจริงจนเห็นความจริงนะรู้ถูกเข้าใจถูกนั่นแหละเรียกว่าตัวพัญญาถ้ามีใครเขาถามเรานะว่าอะไรเป็นเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาเราต้องตอบถูกนะว่าสัมมาทิฏฐิคือตัวจริงของพระพุทธศาสนานะที่เราเรียนศาสนากันแทบเป็นแทบตายอนนี้ ปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อจะได้มาซึ่งสมมาทิฏิเท่านี้เองไม่ได้ว่าได้อะไรวิเศษวิโสมานะไม่ได้ว่าสูญเสียอะไรไปไม่ได้อะไรมาไม่จะเสียอะไรไปสิ่งที่ได้มาก็แค่สมมาทิธิสิ่งที่หมดไปคือมิจฉาทิธฐิสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราภาวนาถูกต้องดูของจริงการที่เราจะดูของจริงได้ใจเราต้องเป็นคนดู นะถ้าเราใจเราไม่เป็นคนดูนะเราเป็นผู้แสดงซะเองนะเราดูความจริงไม่ชัดเหมือนอย่างเราเป็นนักมวยเราขึ้นชกเนะเวลาเราขึ้นชกนะบางทีเมาหมัดนะดูทางมวยเขาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ออกเลยนะเขาชกมาทีไรโดนหน้าเราทุกทีเลยเขาชกมานะเราหลบหลบทีไรเอาหน้าไปรับหมัดทุกทีมนะันแพท้ทางกันนะดูไม่ออกนะคนที่ ไปดูมวย อ, อยู่ข้างเวทีเคยเห็นไหมเวลาเขาดูมวยก็ต้องเชียร์ใช่ไหมเอาอ ย, ยังน้อนสิสอนใหญ่เลยนักมวยไม่ได้ยินหรอกกาลังเวียนหัวอยู่มัวฟังได้ถูกชกหมอบคนนอกเนี่ยมันเห็นอะไรได้ชัดกว่าคนในคนที่กําลังตะลุมบอลอยู่กับปัญหาเนี่ยเห็นปัญหาได้ไม่ชัดคนนอกเห็นได้ง่ายกว่าหลักข้อเนี้ทําให้เกิดอาชีพคอนซัลท์ขึ้นอาชีพที่ปรึกษา ที่ปรึกษามันไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทเราเลยนะบริษัทหรือหน่วยงานเราจะเจ๊งจะอยู่เนี่ยมันไม่สําคัญเลยมันไม่สนใจหรอกมันสนใจว่ามันได้ค่าจ้างมันไม่ได้เก่งกว่าเราดูแล้วแต่ละคนแต่ละคนที่มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัทไม่ได้เก่งกว่าคนในบริษัทแต่ทําไมมันอธิบายอะไรมันบอกทางออกได้ดีเพราะมันเป็นคนนอกคนนอกจะมองเห็นปัญหาได้ชัดกว่าคนใน อย่างบางทีเราคุยกับคนหรืออยู่ในครอบครัวเรานะโอ้ปัญหามากเลยคนอื่นเข้ามาดูโทรปัญหานิดเดียวแก้ตรงนี้นิดเดียวก็หมดละปัญหาไม่มีอะไรมากหรอกสามีไม่กลับบ้านสามีเจ้าชู้อะไรอย่างนี้นะโมโหโทโสเจอหน้าแล้วด่าทุกวันคนดูวดนนท์วงนอกเขาก็แนะเธอเจอสามีอย่าด่าสิยิ้มหวานหวานไว้ทำใจดีๆไว้เอาใจเขาหน่อย แค่นี้เองมันกลับมาบ้านแล้วจริงจริงมันลำคาญอีนังยักษ์ที่บ้านเท่านั้นเองคนวงนอกมันดูง่ายกรรมฐานนี่ก็เหมือนกันเราต้องทำตัวเป็นคนวงนอกนะเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้หรือเหมือนอย่างเราอยู่บนบกนะเมื่อก่อนบ้านหลวงพ่ออยู่ริมคลองน้ำไหลมาไหลไปไหลมาไหลขึ้นไหลลงนี่แหละทีก็มีสิ่งต่างๆลอยมา บางทีก็มีต้นไม้ลอยมานะต้นไม้มันล้มทีก็มีแมทค้าพายเรือเอาของอะไรที่น่าสนใจมาทีก็มีหมาเน่ามีแมวตายลอยมาเราอยู่บนบกอะไรลอยมาในน้ำเนี่ยเราเห็นชัดเลยแต่ตอนที่เราว่ายน้ำอยู่นะต้เคมาใกล้ๆก็ไม่เห็นนะมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราอยู่บนบกเราเห็นหรือเราอยู่ ที่เขามีหอดูริมทะเลนะพวกกานะมันดูมันเห็นแล้วว่าคลีบปลาฉลามมาแล้วเห็นแต่ไกลมันเห็นก่อนพวกที่ว่ายน้ำไม่เห็นหรอกเพราะอะไรเพราะมันคลุกวงในอยู่เนะนี้ถ้าเราอยากเห็นความจริงให้ชัดเจนนะเราต้องดูแบบคนวงนอกการที่จะดูอย่างคนวงนอกได้เราต้องถอนตัวเองออกมาเป็นผู้ดูนะเป็นผู้รู้ผู้ดูที่หลวงพ่อสอนเมื่อวานเนี้ย ก็ต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนมองนอกแล้วเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทํางานใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากไม่เกี่ยวไม่เข้าไปคลุกวงในจิตของเรมันคลุกวงในตอลอดเวลามันโดดเข้าไปจับอารมณ์โดดเข้าไปคลุกกับอารมณ์ตลอดเวลามันก็เลยไม่เห็นความจริงต้องมาฝึกฝนตัวเองให้เป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนอย่างเราดูละครเราต้องเป็นผู้ดูจริงๆนะต้องเป็นผู้ดูจริงๆ เราไม่ใช่ผู้ประพันธ์ไม่ใช่นักประพันธ์ที่แต่งบทละครเพราะฉเราอย่าไปคิดเอาเองนะว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ดูว่าจริงๆมันเป็นยังไงเราไม่ใช่ผู้กำกับเพราะนั้นเราไม่เข้าไปควบคุมตัวละครอะไรเป็นตัวละครที่แสดงให้เราดูรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนั่นแหละคือตัวละครที่เล่นให้เราดูละคร ท, ที่เรียกว่าตัวเราตัวเราเนี่ยนะประกอบด้วยสภาวะธรรมเจบเออย่าง นะมีสภาวธรรมทั้งหมด71อย่างนะสภาวธรรมทั้งหมดมี72อย่างนะอย่างหนึ่งคือ น, นิพพานพวกเราเยังไม่เห็นพวกเรามีอยู่71อย่างนะเป็นรูปธรรม ส, ส่วนหนึ่งนะเป็นนามธรรมจำนวนมากก็พวกจิตพวกจิตในหนึ่งนะเจตสิกเจตสิกห้ ik, นะ J ik, นะ J ik, ตัวนะมีรูปแท้ๆไม่จะ18รูปหรือเท่าไหร่จำไม่ได้ลนะ เียคือตัวละครที่มันแสดงให้เราดูถ้าจะพูดอย่างละเอียดให้มี150ตัวพูดย่อๆมี72ตัว71ของเราไม่มี72ยังไม่เห็นนิพพานสิ่งเหล่านี้คือตัวละครที่เราจะเป็นคนดูมันเราไม่แทรกแซงมันเราไม่ใช่ผู้กำกับไม่ต้องไปคุมมันอย่างตัวละครคือความกโกรธมันกำลังแสดงออกมาเรามีหน้าที่ดูดูซิเธอจะกโกรธได้นานสักแค่ไหน นะดูเขาไปดูว่าเขาโกรแล้วเขาแสดงบทบาทอะไรนะตัวละครแสดงความรักออกมาเราก็ดูเห็นใจมันมีความรักขึ้นมามันแสดงบทนางอิจฉาขึ้นมาเราก็รู้ไปนะผู้ชายก็อิจฉาเก่งนะยุคนี้นะผู้ชายขี้ฉานะแล้วผู้ชายฝันอ่อนฝันอ่อนลงเรื่อยๆนะเท่าที่สังเกตพยายามฝึกให้มันแข็งแกร่งกว่านี้หน่อยนะยีนของมนุษย์เนี่เสื่อมลงเรื่อยๆนะ ถ้าไปผู้ชายจะไม่มีหรอกจะศนะูนย์พันค่อยๆเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นผู้หญิงมากขึ้นมากขึ้นดูตัวละครนะตัวละครมันเล่นอย่างร่างกายก็เป็นตัวละครตัวละครนี้หายใจออกตัวละครนี้หายใจเข้าตัวละครนี้ยืนเดินนั่งนอนแล้วทําตัวเป็นคนดนะูอย่าไปวุ่นวายกับมันอย่าไปแทรกแสงมันนะการดูกายกับการดูจิตนะั้นต่างกันนิดนึง ดูกายนะดูลงปัจจุบันขณะคือขณะนี้เลยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกได้ไหมเอาทุกคนลองยิ้มสิรู้สึกั้ยว่ากำลังยิ้มอยู่ทำไมรู้สึกไดนะ้เพราะว่าจิตเนี่อรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวจิตมันสามารถไปรู้ร่างกายที่ยิ้มได้นะแต่เวลาจิตมีความโกรธเนี่ยจิตรู้อะไรอยู่จิตรู้สิ่งที่ทำให้โกรธ เช่นไอคนนี้เราเกลียดหน้ามาันเราเห็นใอ้คนนี้อยู่ขณะนั้นจิตไปรู้ไปดูไอ้คนที่เกลียดจิตจะมารู้ว่าตัวเองโกรธไม่ได้นะเพราะฉนั้นกายกับจิตเนี่ยจะต่างกันดูกายเรียกว่าปัจจุบันขณะดูเดี๋ยวนี้เลยนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหาเนะครื่องใจที่เป็นคนดูเนี่ยเมื่อบานสอนแล้วนะวิธีฝึกคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนไม่บังคับด้วย ตัวรู้มี2ชนิดนะตัวรู้ที่ถูกกับตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ถูกเนี่ยตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนะจะเกิดตัวรู้ที่ถูกต่อมาเราจําได้ว่าจิตที่รู้เป็นยังไงก็จงใจทําจิตที่รู้ขึ้นมาจะเกิดตัวรู้ที่ผิดเป็นตัวรู้แน่นๆเพราะฉะนั้นเล่นง่ายๆนะเผลอเรารู้เผลอเรารู้ไปอย่าพยายามที่จะรู้สึกตัวถ้าพยายามจะรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจะแน่นๆขึ้นมาผิดทันทีเลยไม่ใช่ตัวรู้ที่ถูกหรอกเป็นตัวรู้ผิด ก็เผลอรารู้เผลเรารู้เนี่ยเราได้ตัวรู้ขึ้นม า, าได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วถ้าดูกายดูลงปัจจุบันขณะเนี่ยมันกําลังแสดงอยู่กําลังมีคําว่ากําลังกําลังหายใจออกกําลังหายใจเข้ากําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกําลังนอนแต่ดูจิตไม่มีคําว่ากําลัง ม, มีคําว่าแล้วโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วนะฟุ้งซ่านแล้วโหดผูแล้วความโกรธเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าโกรธ ถ้าเราไปรอดูเนะเรารู้ว่าเจอคนเนี้เราจะต้องโกรธเรารอดูว่าความโกรธจะเกิดเมื่อไหร่คอยจ้องไว้นะความโกรธจะไม่เกิดทำไมไม่เกิดเพราะขณะนั้นเราไม่ได้เอาไว้ศัตรูเรานะเป็นอารมณ์เราคอยมาจ้องอยู่ที่จิตคอยมาดูว่าจะมีอะไรโผล่ไหมนะเราคอนเซนเทรตอยู่ตรงนีนะ้เหตุของความโกรธเลยไม่มีความโกรธเลยไม่เกิดนะ แต่ถ้าเราไม่ได้คอยจ้องอยู่ที่จิตนะตามองเห็นศัตรูเราไม่ทันจะตั้งหลักเลยโผล่พลุ่นมานะเกลียดเลยโทสะเกิดขึ้นพอโทสะเกิดขึ้นแล้วนะรู้ว่าโอ้โกรธแล้วนะมีคําว่าแล้วด้วยโกรธขึ้นมาแล้วแต่ต้องรู้ไวๆหน่อยนะถ้าเมื่อวานโกรธ ว, วันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะห่างไปต้องแบบสดๆร้อนๆโกรธขึ้นมาสดๆร้อนๆแล้วก็รู้ว่าโกรธเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันสันตติปัจจุบันสันตติเนี่ยหมายถึงว่ามันสจจืบเนื่องกับปัจจุบันะการดูจิตดูใจเนี่ยจะไม่ลงปัจจุบันขณะดูกายเป็นปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้เลยดูจิตเป็นปัจจุบันสันตติคือมันโกรธขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันโกรธไม่มีอย่างอื่นมาขั้นนะไม่ใช่มันโกรธเมื่อวานแล้วมีอย่างอื่นมาขั้นอีกร้อยเรื่องแนละ้วค่อยรู้ว่าเมื่อวานนี้โกรธอย่างนี้ไม่ใช่สันติแล้วไม่ได้สืบเนื่องแล้วห่างไกลกันมากไป ดูแล้วอย่าไปแทรกแซงมันดูสบายๆถ้าดูกายก็เห็นกายมันทํางานไปเลยแล้วมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นถ้าดูจิตนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่ามันมีความรู้สึกจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้แล้วไม่แทรกแซงรู้แล้วไม่แทรกแซงเห่นร่างกายมันเดินอยู่มันเห็นร่างกายมันเดินไม่ต้องแทรกแซงมัต้องเดินท่านี้ เดินท่านี้เดินท่านั้นเลยเป็นแค่การฝึกในรูปแบบเท่านั้นเองกรรมฐานสุดยอดกรรมฐานเนี่ยอยู่ในชีวิตประจําวันกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเหมือนการซ้อมมวยเท่านั้นเองส่วนการที่อย in no <im> ู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนขึ้นสนามชกมวยจริงๆขึ้นเวทีจริงๆการทําในรูปแบบเหมือนทหารซ้อมรบการใช้ชีวิตธรรมดานี่เองอยู่ในชีวิตธรรมดานี่คือทหารที่ออกรบ เรนั้นต้องซ้อมเหมือนกันแหละไม่ซ้อมไม่ได้เขาซ้อมไว้ทุกวันแบ่งเวลาไม่พลาดสวดมนต์สัหน่อยหนึ่งนะเวลาที่เหลือซ้อมรบถ้าวันนี้ฟุ้งซ่านก็ทำความสงบวันไหนสงบแล้วทาจิตตั้งมั่นจาได้ไหมทาไงจิตสงบเมื่อวานสอนละใครนึกได้บ้างพวกที่มาเข้าครอร์สนึกออกไหมทำไงจิตจะสงบอ้าวตอบฮะ ยังไม่ครบยังไม่ครบต้องอารมณ์ที่มีความสุขเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ทหารอยู่อารมณ์เดียวใครๆก็อยู่อารมณ์เดียวแต่ไม่สงบหรอกยังดูท้องพองยุบไปเรื่องนะเครียดโดยซ้ำไปต้องรู้จักเลือกรู้จักเลือกอารมณ์ที่มีความสุขเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้อารมณ์มันเดียวพอแล้วก็น้อมจิตอยู่กับอารมณ์อันมีความสุขนั้นไปอย่างสบายอย่าบังคับจิตให้สงบนะจิตสงบเอง วันไหนนะเราไหวพาส่วนมวลนี้ฟุ้งเหลือเกินนะทำความสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องนะถ้าวันไหนมันสงบอยู่แล้วนะมาซ้อมจิตตั้งมั่นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธไปหายใจไปนะจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ให้จิตก็ตั้งมั่นถ้าวันไหนจิตมันตั้งมั่นแล้วก็หัดแยกรูปแยกรนะนาเห็นกายมันนั่ง ใจเป็นคนดูเห็นกายเป็นหายใจใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายผ่านไปผ่านมาใจเป็นคนดูซ้อมอย่างนี้นะถ้าว่าไหนใจมันตั้งมั่นแล้วก็ขันมันแยกแล้วกายส่วนกายเวทนาส่วนเวทนาสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิตมันแยกแล้วดูใจลักดูเขาแสดงละครบางทีสติก็เห็นกายแสดงใจลักบางทีสติก็เห็นจิตแสดงใจลัก แต่ถ้าหัดใหม่นะก็เอาอนเดียวก่อนจะดูกายเป็นหลักก็เอากายไว้จะดูจิตเป็นหลักก็เอาจิตไว้แต่พอลงสนามรบจริงเนี่ยบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตไม่มีสายไม่มีสายกายสายจิตไม่มีสายไหนทั้งสิ้นสายเวทนาอะไรไม่มีทั้งสิ้นแต่ตอนซ้อมนะ่ะมีสายได้นะตอนที่ทําในรูปแบบนะั้นการทําในรูปแบบนะั้นนจะเป็นการฝึกทักษะของเราเพื่อจะเอามาใช้จริงในชีวิตธรรมดานี่แหละ จะแน่จริงหรือไม่แน่จริงอยู่ข้างนอกนี้ไม่ใช่อยู่ในห้องพระนะไม่ใช่อยู่หน้าโต๊ะพระอยู่ในชีวิตจริงนี่เองเมื่อตามองเห็นรูปกิเลสเกิดหรือกุศลเกิดรู้ไหมสุขทุกเกิดรู้ไหมนะถ้าไม่รู้กุศลก็ครอบงําจิตได้อาุศลก็ครอบงำจิตได้ไดนะนี่เราจะรู้กายรู้ใจอยู่ในชีวิตธรรมดานี้แหละมีใจเป็นคนดูวิธีปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันนะปฏิบัติในชีวิตธรรมดานี้ทำยังไงให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้กระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่ห้ามหรอกมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะมีจมูกได้กลิ่นก็ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นก็แล้กไปนะจิตมันรู้อารมณ์ได้ทีละช่องทางเท่านะั้นน่มันจะไปรู้อะไรก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไม่ว่ามันรู้อะไรแล้วนะมันจะส่งสัญญาณเข้ามาที่จิต มันจะส่งสัญญาณมาที่จิตตามองเห็นรูปในขณะที่ตาเห็นรูปไม่สุขไม่ทุกข์ไม่โกรธด้วยนะก็มันส่งสัญญาณมาที่จิตเริ่มแปลสัญญาณภาพอันเนี้ยสัญญาณภาพอันนี้เป็นสัญญาณโหรสีนะสีที่ตัดกันเป็นรูปร่างอย่างเนี้ยตามองเห็นแต่สีอย่างเดียวนะตามไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนตาเป็นแค่เหมือนกับอะไรเลนของกล้องถ่ายรูปเท่านั้นเองอตาทําหน้าที่แค่นั้นเองแต่รับสัญญาณแล้วเนี่ยเข้ามาแปล เข้ามาแปลที่ใจนะนี่คือรูปดอกไม้สวยงามนะหายากด้วยเนี่ยใจก็อยากดูอยากจะเด็ดอยากจะดมอะไรเนี่ยนะใจก็เกิดทำงานต่อขึ้นมาให้เรารู้ทันที่ใจนี่แหละนะแต่ไม่ใช่ตามองเห็นรูปพอตาเห็นปุ๊บใจเป็นยังไงหันมาช่องอยู่ที่ใจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นใจอย่าไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาเนี่ยหลักของการดูจิต ด, ดูใจ เวลาที่เราฝึกอยู่ในชีวิตประจวันเนี่ยกรรมฐานที่ดีที่สุดนะคือการดูจิตไม่ใช่ดูกายอย่างถ้าเราจะข้ามถนนนะวัวดูกายรถทับตายแน่นอนเลยนะจะข้ามจะทำอะไรเนี่ยทำไม่ได้เลยนะลนั้นเอาไว้ทำในรูปแบบอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยบางทีสติรู้กายบางทีสติรู้จิตอย่าไปอยู่ที่กายอันเดียวนะบางทีมันก็รู้กายบางทีมันก็รู้จิตทีก็รู้ข้างนอกรู้ข้างนอกเป็นหลักเลย แต่รู้ข้างนอกแล้วก็ย้อนมารู้ข้างในตามองเห็นรูปแล้วจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศล อ, อกุศลให้รู้ทันหูได้ยินเสียงจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันนะจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลที่จิตให้รู้ทันใจเราคิดไม่ห้ามใจจะคิดก็ได้เแื่อใจมันคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลให้รู้ทันรู้ทันเพื่อเราจะได้เห็นว่า ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทั้งสิน้นสุขเกิดแล้วก็ดับทุกเกิดแล้วก็ดับดีหรือชั่วเกิดแล้วดับทั้งสิน้นนะเราก็ห้ามไม่ได้สั่งไม่ได้จะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้เนี่เราดูเพื่อให้เห็นสิ่งนี้ให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าใจยอมรับไตรลักษณ์นะใจจะค่อยคลายความยึดถือลงพระเจ้าสอนบอกเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น พอหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัติเนี่ยจบแล้วกิตที่ควรทําทําเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทําอีกแล้วนะ ท, ทําทีเดียวจบเลยไม่เหมือนงานทางโลกนะั้นทําเท่าไหร่ก็ไม่ไม่จบหรอกทําวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องทําอีกนะแต่งานทางธรรมมีที่สุดนะมีที่สุดใครฝึกนะพอรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีนะ ถ้ารู้เรื่องโดยที่ไม่เคยฟังมาก่อนนะต้ถือว่ามีปุเพกตะปุญญตาเรียกว่ามีบุญอันวิเศษวิโสมาแต่ชาติตบางก่อนฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยบางคนเป็นนะบางคนมีถือว่าเป็นมงคลอันหนึ่งเลยนะมันเปมงคลของชีวิตเลยทําบุญมาดนะีส่วนพวกเราสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอย่าประมาทนะใครขี้โมโห บ, บ้างพื้นเลยขี้โมโห พื้นโมโหเนี่ยพื้นขอสัตว์นรกนะเอะพิ่งหลุดออกมาไม่นานนใครเจออะไรก็เจอสาวก็บ้ากรรมลูกเดียวเลยมีไหมไม่ต้องยกมือนะเดี๋ยวไม่มีใครครบร <c oughs> พวกเนี่ยพวกบ้ากรรมนั่นก็เป็นอีกตระกูลเนี่มาจากข้างล่างเหมือนกันอยู่ในอาบายเหมือนกันถ้าใครอยากประพฤติกรมจันย์ไม่อยากมีคู่ อยากภาวนามาตั้งแต่เด็กๆมีไหมยกมือสิโอมีเหมือนกันนะอยากพ้นทุกนะอยากไม่เกิดตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเกิดมาทำไมใครเคยถามไหมใครเคยถามอย่างนี้แสดงว่ามีบุญเก่านะมีบุญเก่าแสดงว่าช่างสงสัยมาแต่ปางก่อนให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าบารมีพวกเราอย่างน้อย ถ้าบารมีมากเนี่ยควรจะได้ฟังทำตรงจากพุทธเจ้าแล้วเข้าใจไปแล้วไม่ต้องมาฟังจางหลวงพ่อประโมทหรอกหลวงพ่อประโมทก็บารมีน้อยนะต้องมาเจอพวกเรา <c oughs> บางคนนะมันว่ายากสอนอยากจริงๆนะแต่ <c oughs> บางคนก็ว่าง่ายสอนง่ายนะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนี่บางคนว่าง่ายสอนง่ายนะขยันทํำนะ แต่ได้ผลช้าก็มีนะบางคนมันดื้ออุ้ยสอนนานเลยพอมันเข้าใจแล้วมันลงมือทํามันแป๊บเดียวมันได้แล้วอย่างนั้นก็มีนะแต่และคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็ภาวนา ง, ง่ายๆนอนกระดิกเท้ามันก็บรรู้แล้วบางคนเดินจงกลมจนเล็บหลุดยังไม่รู้บัรรู้เลยก็มีแล้วนะบางคนเป็นทุกข์ขาปฏิปทานะปฏิบัติลําบากบางคนเป็นสุขขาปฏิปทา บางคนก็ได้ผลเร็วเรียกว่าขิปนาพิญญาบางคนได้ผลช้าเรียกทันทาพิญญานคนที่ปฏิบัติสบายเนี่ยเพราะกิเลสเบาบางคนที่ปฏิบัติลําบากเนี่ยกิเลสยังหนาอยู่ต้องทนเนาะกิเลสมันลุกรามเนาะลาบากแต่ไม่ใช่ว่าปฏิบัติลําบากแล้วจะมารู้ช้านะบรรลุช้าบรรู้เร็วอยู่ที่ว่าอินทรีย์แก่กล้าไหม บางคนกิเลสก็แรงอินทรี์ก็แรงนะพวกนี้ปฏิบัติลําบากนะแต่ได้ผลเร็วนะทำลาบากแต่ได้ผลเร็วพอมีกําลังใจไหมออพอมันไม่แน่หรอกได้ผลช้าเร็วเราไม่รู้นี่ว่าเราสะสมมาแค่ไหนไม่เหมือนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านรู้นะหลวงปู่ดุ ล, ลอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านรู้เลยหลวงปู่สิมเนยท่านรู้เจอหน้าหลวงพ่อนะท่านพยากรได้แต่หลวงพ่อไม่พยากรณให้นะ ให้เราไปดูเอาเองพยากรไม่ไหวสมัยก่อนนานๆมีคนไปเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์สักคนหนึ่งเดี๋ยนี้เป็น match product แมชโปรดักต์ลนะมาทีละร้อยทีละพันไปเทศบางที่เป็นพันเงนี้นยนะยมาถามหลวงพ่อทีละคนทีละค น, ท, ะคนทำไม่ได้หรอกอย่างส่วนพวกเราตอนนี้สนใจการภาวนาเนี่ยมีมากนะงั้นต้องพยายามช่วยตัวเองให้เยอะนะ วิธีช่วยตัวเองนะอย่าไปเที่ยวถามคนเรี่ยราดนะอันตรายมากเลยบางทีเราภาวนาของเราดีๆเราไปถามเขาเขาไม่เข้าใจนะเขาก็ลากเราให้เปลี่ยนไปภาวนาแบบของเขาคือคนที่ภาวนานั้นจะมีพื้นฐานเหมือนๆกันนะคิดว่าวิธีที่ตัวใช้เนี่ยดีที่สุดจะคิดอย่างนี้นะเหมือนกันทุกคนอะ่ะต่อเมื่อวันใดขึ้นไปถึงจุดสุดยอดแล้วเนี่ยเหมือนเราขึ้นยอดเขาเราขึ้นภูเขาสุดยอดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่า ทางที่จะขึ้นเขาได้เนี่ยมีทั้งสี่ทิศเลยนะมีทั้งสี่ทิศทางเลยไม่ใช่ทางเดียวทางของเราที่ผ่านมานะเวรกรรมแท้ๆเลยไม่น่าไปเลือกทางนี้เลยบางทีนึกนะในทางที่ดีกว่านี้ง่ายกว่านี้ยังมีนะเป็นลําบากแทบแย่เลยนะอย่างครูบาอาจารย์นะแต่ก่อนตอนหนุ่มๆอะไรเนี่ยนะท่านสอนพุโทโธพิ่นากาเยอะเลยนะพอแก่ลงมาจริงๆเข้าเรื่องจิตแทบทั้ทงนั้นเลยนะเข้ามาเรื่องจิตนะพอเข้ามาตรงนี้มันไปง่ายแต่ว่า ก่อนนั้นท่านยังไม่เจอตรงนี้ท่านก็ลําบากนะแต่บางองค์จริตนิสัยเหมกาะกกายนะท่านก็ดูกายได้ตลอดสายและแต่แต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องทําแบบเดียวกันนะเส้นทางเนี้ทางใครทางมันงั้นอย่างเราสงสยยัยอะไรนะไปเที่ยวถามคนน้นัวนี้นะก็จะพาเราหลงได้ง่ายดายเลยทางที่ดีที่สุดที่ปลอดภยัยนะไปฟังซีดีนะซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดีเพลงนะใครโน้นใครนี้ฟังไม่มีประโยชน์เลย สิหลวงพ่อแจกฟรีด้วยนะไปฟังเอาขยันฟังหน่อยฟังแล้วฟังอีกรับรองอย่างหนึ่งนะว่าแต่ละวันฟังแล้วความเข้าใจไม่เหมือนกันหรอกความรู้ความเข้าใจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระดับภูมิจิตภูมิธรรมของเรากนะ็าปลอดภัยดีแล้วไม่ต้องภาวนาร่อนเร่ไปที่ไหนหรอกอยู่บ้านก็ภาวนาที่บ้านอยู่ที่ทํางานนะมีเวลาไม่ต้องคิดงาน ก็ภานานะจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะขับรถจะนั่งรถนะภนาตามร ะ, ระดับความเหมาะสมว่าควรจะทำอะไรนะไม่ต้องรอนเร่ต้องไปเข้าสํานักโน้นไปคสอสโนนคอสนี้นะแต่ละที่แต่ละที่ส่วนใหญ่เขาจะบังคับให้เราทำแบบของเขาเรื่องจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันหรอกอย่างเราควรจะนั่งสมาธิตอนนี้เขาเรียกให้เราไปเดินนะ เราควรจะนอนตอนกลางวันเนี่ยเขาบอกห้ามกลางวันห้ามนอนให้นอนกลางคืนก็เราถนัดภาวนากลางคืนอ่ะนะเราภาวนาโต้รุ่งอย่างเงี้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั้นต้องดูตัวเองนั่นหลวงพ่อเลยไม่ได้จัดคอร์สเข้าใจไหมที่จัดนี่จัดกันเองนะหลวงพ่อไม่เกี่ยวนะแค่มาขอฟังเทศเท่านั้นเองก็ แ, แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเวลาที่เหมาะในการภาวนาแต่ละช่างก็ไม่เหมือนกันกรรมฐานก็ไม่เหมือนกัน งั้นเรียนหลักให้แม่นนะ้าสงสัยไปฟัง cd มีทุกคำตอบที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัตินะอะไปกินข้าวไป